ธรรมชาดกแผ่นที่4ลำดับที่ส2องโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่30มีนาคม2555หมีชื่อเรื่องว่าคาถานกคุ้มแวันนี้เป็นวันที่ส0สิบ มีนาคมพุทธศักราช 2,555 วันนี้เป็นวันขึ้น8ค่ำเดือน4วันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมรว่าเป็นวันธรร ม, มัตสวานณะในทางพระพุทธศาสนา8ค่ำ15ค่ำความเป็นมาวันนี้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 ก็ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าวันหน้าจะมีวันสำคัญวันปฏิบัติธรรมร่วมกันหรือว่ามวันมีการมาพร้อมเพียงสมัคคีกันเพื่อฟังธรรมเทศนาหรือว่าเป็นวันรักษาศีลพร้อมกันของพุทธบริษัทจากนั้นพระองค์ก็ได้บัญญัติขึ้นมาว่า8ค่ำ15คหาค่ำเป็นวันรรมสวระเป็นวันปฏิบัติธรรม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 เป็นวันสวดพระปฏิโมกแต่สําหรับศรัทธาญาติโยมแต่งให้นี่วันแปดคำ่ำสิบห้าค่ำคงจะเหมือนศาสนาอื่นเขาศาสนาอื่นอย่างศาสนาคริสต์เนี่ยเาไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์แต่อิสลามในว่าอิสลามเนี่ยละมาดวันละห้าครั้งแข่งในศาสนาของเขาแต่พระพุทธศาสนาไม่มีกา ร, บ, ารบังคับ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 อย่างไรในการอยู่ด้วยกันบางทีก็พูดเรื่องศินพูดเรื่องทานเรื่องศินแล้วก็เรื่องความพร้อมเพียงสมรูคีของหมู่คณะความพร้อมเพียงของชุมชนแล้วก็การเป็นอยู่พวกเราจะบริหารจัดการในการอยู่ด้วยกันอย่างไรจรึงจะได้รับ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 สารานิยธรรมมีหกอย่างเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามเอนทั้งต่อหน้าและรับหลังคือเข้าไปช่วยขนขวายดูแลเพื่อนกันคือภิกษุไข่เป็นต้นใครมีทุกข์ยากลาบากอย่างไรก็ให้เข้าไปช่วยดูแก้ไขเรื่องสถานการณ์นั้นๆในเมื่อเขาได้รับความลำบากทุกข์ยากลำบาก ด้วยจิตเมตตานีใครเขาว่าเมตตาเนี่เป็นหลักเนีเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสัมเนนทั้งต่อหน้าและรับหลังเข้าไปตั้งวจีกรรมในเพื่อนภิกษุสัมเนนทั้งต่อหน้าและรับหลังใครเข้าไปเห็นภิกษุสัมเนนเข้าใจผิดในบางอย่างก็เข้าไปพูดทําความเข้าใจให้เข้าใจในหลักพระธรรมใดให้ถูกต้องด้วยจิตเมตตานี่มันจะคิดอิจฉาพยาบาท ในใจมีเมตตาเป็นพื้นฐานแต่นั้นก็เข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งต่อหน้าและรับหลังคล้ายๆว่าเข้าไปในเพื่อนภิกษุสามเณรด้วยจิตเมตตาจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างจะปรับปรุงแก้ไขอะไรได้บ้างในเพื่อนภิกษุสามเณรมีปัญหาอะไรไหมด้วยจิตเมตตาแล้วก็รักษาศีล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 ตั้งป้อมสู้กันเนี่ยมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ทิฐิคือความเห็นจิตจุดนี้สำคัญอ่าแล้วก็ข้อที่หแบ่งปันลาบที่ตนได้มาโดยชอบทำให้แก่เพื่อนภิกษุสามเณรไม่หวงไว้บริโภคเฉพาะผู้เดียวอันนี้ก็คือเมื่อได้ลาบมาแล้วก็แบ่งปันสรุปแล้วก็คือไม่คอรับชั่นพูดง่ายๆไเมื่อไม่คอดับชั่นไม่ องอไม่เห็นแก่ตัวเฉลือเพื่อแพรที่ได้มาโดยชอบธรรมแล้วก็แบ่งปันให้ทั่วถึงเฉรียกันให้ทั่วถึงไม่ใช่ว่าจะหวงไว้รวยแต่ตัวเองคนเดียวนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าผู้ใดก็าตามมีธรรมอยู่ในใจทั้งหกประการ น, นี่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 มีนอกมีในแล้วก็มีทิฏฐิคือความเห็นเสมอกันกันกบภิกษุสัมมาเนตอื่นไม่ใช่เป็นมิจฉาทิฏนฐะิเลยถ้าคนมิจฉาทิฏฐิแล้วดัดทุลังไม่ยอมฟังใครนะนั่นก็ปกครองยากเหมือนกันนะแล้วก็แบ่งปัราบที่ตนได้มาโดยชอบทำให้แก่เพื่อนภิกษุสัมมาเนตินี่แหละอันนี้เป็นเครื่องยึดเหนียวทางด้านจิตใจของหมู่พกเพื่อนที่อยู่ด้วยกัน ประเทศชาติปันเมืองถ้าเป็นถ้าได้ยึดทำคำสอนของพระพุทธเจ้าตีที่จึงจะไม่แข็งครัอแต่ก็ยังมองดูแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติก็ยังจะมีความสงบร่มเย็นผาสุขขึ้นมาได้แต่นี้ไม่ได้พูดบปองดองปองดองอยากจะให้ปองดองแต่ว่าข้างล่างไม่ลวดมีดไป่ั่วหอกไม่ลว่าดาบไม่ลวา ยาพิษไม่รู้ว่าจะอะไรต่อไม่อะไรจะห้ำหั่นกันอยู่ใครเสียเปรียบใครเพียงพั่มกระโดดเยียบฆ่าคนนั้นแล้วมันจะปองดองกันได้อย่างไรดูดูแล้วตาปองรองมันต้องมาออกมาจากจิตใจจิตใจที่มีเมตตาเอาเมตตาเป็นหลักถ้าทุกคนมีเมตตามีความหวังดีต่อกันมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันมีธรรมในจิตในใจ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 ที่ตรงนี้เนะี่ยที่เราอยู่เดี๋ยวนี้นะ่ะไม่ใช่บา ร, รมีของเราส่วนเดียวนะเป็นบา ร, รมีมาตั้งเก่าแก่ไฟไม่ไหม้จุดนี้มาเป็นอตั้งแต่พัฒกับมาแล้วะพัฒกับ ก, ก็คือตั้งต้นกับนี่มาไฟไม่ไหม้จุดนี้และก็พร้อมกันเราก็มาอยู่ในจุดนี้อีกสรุปแล้วก็คือเป็นสองพลังแต่ก่อนหน้านี้กับไฟไม่ไหม้อยู่แล้วจุดนี้ แต่พระ อ, องค์มาอยู่ในจุดนี้อีกพระสงฆ์ก็เลยกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงไฟจึงไม่ไม้จุดนี้ด้วยตั้งแต่ต้นตั้งกลับมาตั้งแต่ตั้งโลกมาพระพุทโธงบอกว่าสมัยนั้นเราเกิดเป็นนกคุ่มนกคุ่มอยู่ตามป่าตามรอนตามป่าพวกเราบงคนจะเห็นนกคุ่มพอหนุ่กคุ่มมันเกิดขึ้นมาแล้วมันอยู่ในรัง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 ไปก็ไปเห็นไฟไฟไหม้มาอย่างอย่างมากนกคุ่มตอนนี้ก็เลยแม่ก็หนีหมดพ่อคนนี้หมดเพราะมันหนีตายกลัวไฟนกคุ่มตอนนี้ก็บอกโอวนอกจากบา ร, รมีของเราแล้วคงจะไม่มีอะไรคุ้มครองอนกคุ่มถึงจะเป็นนกคุ่มแต่ใจนกคุ่มนะั้นเป็นพระโพธิสัตว์นะเป็นพระโพธิสัตว์รู้ดีรู้ชั่วใจของนกแต่รู้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 หรือว่าบรารมีของข้าพเจ้าสิะสัศ จ, จักคุ้มครองข้าพเจ้าด้วยเทินนะนกคุมแต่นั้นมันมันตั้งจิตอธิษฐานตั้งสัจจาอธิษฐานนะคือศิลและสัจจานะสัจจะคือระลึกถึงคุณงามความดีไฟมาถึงได้นําไฟก็ดับดับห่างกันประมาณสิบหกกรีดนะ่สรุปแล้วคือคือสิบหกกรีด 25เส้นะยห้าเส้นโดยรอบไฟเข้ามาไหมไหมอยู่บริเวณนั้นพอไฟมาตั้งแต่บัดนั้นมาไฟมาถึงจุดนั้นดับหมดทุกครั้งมาทั้งมากกระทั่งถึงพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกพระองค์ไปอยู่ที่นั่นไฟก็ไมมาไมไมไมาไม่ถึงในีพระองค์ก็ได้ตรัสกับภิกษุสงฆ์ทั้งหลายอัธิโลเกศิลกุโนนะคาสาคาถานคุมอัติโลเก ศีลกุโนสัจจังโซจยนุตยายก็พูดถึงเรื่องสินและสัจะในคาถาบ ท, บทนี้แล้วก็บรรยายถึงบา ร, รมีของพระ อ, องค์นี่แหละคำว่าสินคำนี้หรือว่าสัจยะคำนี้ถ้าพวกเราได้รักษาสินดีแล้วถ้ามีความทุกข์ในใจ หรือมีความลำบากในใจหรือมีเรื่องในใจก็ให้ ล, ำล้ลำลึกถึงศีลล้ำลึกถึงสัจจะอย่างที่นกคุ้มที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ในพระคาถาพระคาทานกคุ้มนี่แหละในเมื่อเรารักษาศีลถึงจะเป็นศีลเป็นชั่วั้างชั่วคราวแต่ก็คือศีลและก็พร้อมกันก็ให้มีสัจจะ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 ไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉานช้างมา้าวัวควายหมูม้มาเป็นไก่เป็ดไก่เกิดได้ทั้งนั้นอพอเปลี่ยนเสื้อมนุษย์นราไปใส่เสื้อวัวเสื้อควายเข้าไปแต่ถ้าว่าเรามีบุญออกจากเสื้อมนุษย์เราก็ไปสวมเสื้อมนุษย์อีกอไปเกิดในตระกูลที่ดีเลยเราไม่ต้องเกิดที่มันทุกข์ยากลำบากไปเกิดในตระกูลที่เราจะมีความสุขหรือกออกจากมนุษย์เราก็โอชาิเป็นมนุษย์เนี่ย ไม่เอาละเราควรจะไปพักอยู่บนสวรรค์ซะก่อนก็ออกจากมนุษย์ไปสู่สวรรค์หรือภาวนาถ้าตั้งใจภาวนาจิตใจรวมสงบเป็นหนึ่งอันหนึมีโอกาสที่จะไปพร ม, มโลกได้ผู้ที่ภาวนาไปสู่พรมนะพวกฤาษีสีัพทั้งหลายแรลถ้าออกจากท่านไปบวชอยู่ในป่ารงพงไพเมื่อท่านภาวนาท่านจะไปสู่พรมเป็นส่วนมาก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 ทำไม่มั่นคงนธรรมเพียงเพิกตะศักว่าะรำเฉยๆเนี่ยบางทีเราเคคิดว่าจะขอให้มาเกิดเป็นมนุษย์เถอะ เ, เพอเผื่อมันอาจจะหลุดจากมนุษย์มาไปเกิดเป็นสัตว์ที่ละชานก็ได้ เ, เพราะนั้นต้องเผื่อเอาไว้ให้ตึงเอาไว้กว่าดีคือพยายามภาวนานภาวนาในต้องศึกษาแล้วนะทีนี้นะภาวนาทําอย่างไรหลวงพ่อพูดไว้ในเอ็มปสนี่ยเยอะแยะ หลวงปู่หลวงตาที่ท่านได้พูดเอาไว้ก็เหมือนกันในหนังสือนะเยอะแยะอันนั้นเราต้องศึกษาแหลแนะท่านใดวิชาทุกวิชาในโลกนี้เราจะสยามภูรุษไปเลยโดยที่ไม่ได้ศึกษานะเป็นไปไม่ได้นะเราต้องศึกษาต้องเรียนรู้ในเมื่อเรียนรู้แล้วเรานํามาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของเราเมื่อปรับปรุงกายวาจาใจของเรานั่นแหละเราจะได้รับความสุงบรมเย็นเป็นสุขเรื่อยเลื่อย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 ตัวเองจับเงื่อนได้แล้วจะไหนจับเงื่อนนั้นเมื่อเราเรียนกอไก่ขอไข่ถึงหอนุคู่ได้แล้วเนี่ยเราก็พยายามหาสร า, ะส ร, าะระสาระผสมประสานเข้าไปแล้วจากนั้นเราเราก็อ่านออกเขียนได้ผสมสระเข้าไปจะไหนอ่านได้ทั้งหมดจะไหนเพราเหตุไดเพราะเราเรียนได้ศึกษาเบื้องต้นนี่ก็เหมือนการหลวงพ่อพยายามแนะแนวเบื้องต้นให้แก่พวกเราได้เข้าใจจากนั้นพวกเรา